พญานกกุนาระเล่าให้กับพญานกปุณัมบุขะฟังแล้วแล้วก็บอกว่าแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกคือในอดีตการอังครามเหสีของพระเจ้าพรหมทัตมีนามว่าปิงขิยานีนะอันนี้ชื่อมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตชื่อปิงขียานีเปิดศรีหาบัญชร แลดูไปข้างนอกเห็นคนเลี้ยงม้ามงคลคือเลี้ยงม้ามงคลมาถึงเลี้ยงม้าให้กับพระราชาของพระเจ้าพรหมทัต์นี่นะก็เกิดจิตปฏิพัท์ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตน์บรรทมหลับก็ลอบลงจากทางหน้าต่างประพฤติล่วงศีลกับคนเลี้ยงมา้าแล้วจึงกลับขึ้นสูาา่ปราสาทประพรมศรีละด้วยของหอมแล้วก็เข้าไปนอนกับพระเจ้าพรหมทัตอีก ต่อมาเมื่อพระเจ้าพรมทัดทรงดตริว่าเพราะเหตุอะไรหนอเวลาเที่ยงคืนสรีระของพระเทวีจึงเย็นอยู่เสมอเห็นทีจะต้องคอยสังเกตดูว่านะดูว่าเนี่ยพระเทวีนี่ไปทําอะไรมาถึงถึงได้มีตัวกลับมาเย็นเนี่ยนะหมายถึงถ้านอนอยู่ในที่นอนจะต้องอุ่นวันหนึ่งทรงแ้งทําอาการเหมือนหลับ พอพระเทวีลุกไปพระองค์ก็เสด็จตามไปข้างหลังแอบตามไปทอดพระเนตรเห็นนางประพฤกรามกกับคนเลี้ยงมาเห็นดังนั้นก็ระงับโทสะไว้แล้วก็เสด็จกลับขึ้นสู่ที่บรรทมส่วนปิงคิยานีประพฤติเลวแล้วก็กลับมานอนรุ่งเช้าพระเจ้าพรหมทัตให้หานางปิงกิยานีมา แล้วทรงชี้โทษให้เห็นแจ้งแล้วก็ตรัสว่าหญิงทั้งปวงย่อมมีธรรมดาลามกดังนี้แล้วพระองค์ทรงงดโทษฆ่าเสียนะคือคื อ, คอไม่ไม่ให้ถึงก็ต้องฆ่านั่นก็ไม่จองจำไม่ได้ทำลายทำลายอะไรให้เป็นแต่ถอดออกจากตำแหน่งทรงตั้งหญิงอื่นเป็นพระอัครมเหสีแทนคราวนั้น เราได้เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตเพราะเหตุนั้นเราจึงรู้ถึงเหตุที่ตนได้เห็นมาด้วยตนเองนะอันนี้คือพญานกกุณาละบอกว่าเนี่ยที่รู้เนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าในอดีตนะเคยเป็นพระเจ้าพรหมทัตถึงได้รู้ว่าเนี่ยเหตุมันเคยเกิดขึ้นมาอย่างนี้พญานกนากุณาระกล่าวโทษหญิงทั้งหลายว่ามีทำอลามกอย่างนี้ ดังกับอดีต ท, ที่ได้พรรณนามาแล้วเมื่อจะกล่าวโทษแห่งหญิงทั้งหลายโดยปริยายอื่นๆจึงกล่าวว่าคราวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องชาดกแล้วแต่เป็นเรื่องที่พญานกุณระเนี่ยพูดถึงความไม่ดีของผู้หญิงเนี่ยหรืออิทธิภาวะเนี่ยไม่ดียังไงบ้างนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนบอกว่าบุรุษผู้ไม่ถูกผีสิงไม่ควรเชื่อหญิงทั้งหลายผู้หยาบช้า นะดูนะผู้หญิงที่ที่ชั่วหยาบนะใจเบาอักตันอยู่ปรทุษร้ายมิตรหญิงเหล่านั้นไม่รู้จักสิ่งใดที่กระทําแล้วสิ่งใดที่ควรกระทําไม่รู้จักมารดาบิดาหรือพี่น้องไม่มีความละอายล่วงเสียซึ่งทำนะล่วงเสียซึ่งทำหมายถึงว่าทําให้ธรรมะเนี่ยเสียหาย ย่อมเป็นไปตามอำนาจจิตของตนเมื่อมีอันตรายและเมื่อกิจเกิดขึ้นย่อมละทิ้งสามีแม้จะอยู่ด้วยกันมานานแม้จะเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือกันเสมอมาตลอดชีวิตก็ตามเพราะเหตุนั้นเราจรึงไม่วิสาสะกับหญิงทั้งหลายจริงอยู่จิตของหญิงเหมือนจิตของวานอน <c oughs> เริกแลวนะ คือกี่ก็ว่ามาสารพัดเลยคือที่พูดไปนะั่นหมายถึงว่าผู้หญิงที่ไม่ดีนะมีความเร็วมีความชั่วผู้หญิงแบบเนี้ไม่อยากยุ่งเลยไม่อยากวิาสาสะด้วยเลยเสร็จแล้วก็มาสรุปตรงที่เรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่อยากวิาสาสะคําว่าวิาสาสะก็หมายถึงว่าไม่อยากไปคบคุ้นด้วยไม่อยากไปสนิทด้วยไม่อยากที่จะไปพูดคุยด้วยไม่อยากที่จะต้องไปเจอเจออะไรอย่างนี้คือคือวิาสาสะ นะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเราไม่อยากวิาสาสะเพราะว่าจิตของหญิงคนนี้ฟังดีๆนะบอกว่าจิตของผู้หญิงหรืออันนี้อะไรโดยตรงเลยคืออิทธิภาวะจิตของหญิงเหมือนจิตของวานรนเป็นยังไงเหมือนจิตของวานรน อ, อ, อันนี้บอกว่าลอกแรก <laughs> ลิงเราก็รู้แล้วเป็นยังไงล่ะสภาพของลิงมันยังไงกระโดดโลดเต้นมันโอ้โหอยู่ไม่สุกเลยไม่เป็นที่มันฟุง้งมันคิดมันปรุงมันอะไรต่ออะไรเขาถึงส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาเปรียบจิตของคนที่ฟุ้งซ่าเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับลิงคือมันไวนะจิตมันไวแต่ไวในทางที่ไม่ได้หมายถึงในทางที่ดีไม่ไม่ใช่มุทุภูเต ถ้าเป็นมุทุภูเตเนี่ยไปถึงจิตแววไวในทางที่ดีแต่อันนี้เนี่ยจิตมันไวในทางที่แปรปวนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจอะไรเนี่ยง่ายนั่นในทางลบไม่ใช่ในทางบวกเพรา ะ, ะนั่นก็เลยบอกว่าจิตของผู้หญิงเนี่ยน่าเหมือนกับวานอนคือมันมันอยู่นิ่งๆบ้างเนี่ยมันสงบบ้างเนี่ยไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะปรุงจะฟุ้งจะคิดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นน่ะบางทีเขาถึงบอกว่า ผู้หญิงนี่มากเรื่องมากเรื่องว่าอะไรเล็กๆน้อยบางทีอะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเรื่องเล็กๆแคน้อยเนี่ยยอมซะทาไมไม่ได้บะหรือบางทีเออทําไม่รู้ไม่เห็นซะบ้างอะไม่ได้ก็ต้องเอามาคิดเอามานึกจนกระทั่งในที่สุดมันก็มีเรื่องขึ้นมาจนได้จากบางทีเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ แล้วจากเรื่องใหญ่กลายเป็นอะไรเนียกลายเป็นสงครามโลกจากเรื่องใหญ่แล้วก็มันใหญ่แล้วนะเสร็จแล้วต่อไปอีกก็มันกลายเป็นสงครามแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ระวังนะอิทธิภาวะเนี่ยจริงๆจะเป็นผู้ชายก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามคนที่มากเรื่องแบบเนี้ยนะชอบคิดและทําอะไรให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนี่เนี่ ย, ย, ยคืออิทธิภาวะสภาวะจิตที่ไม่ดี แต่ใครในตรงข้ามเลยเออเรื่องใหญ่มาสามารถเออพยายามทําจิตให้มันนิ่งให้มันสงบลงมาไม่หลอกแหลกไม่สับสนไม่วุ่นวายอะไรเออพยายามใช้อะไรเขาเรียกว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นะพยายามนี่ให้มันให้มันนิ่งให้มากเข้าเออถ้าอย่างนี้สนะิเรื่องใหญ่มันก็จะเล็กลงมาได้เพราะมันเล็กลงไม่ใช่เพราะเรื่องภายนอกมันเล็กลงแต่มันเล็กลงเพราะ พอจิตเรามันนิ่งลงมาได้มันเลยทําให้เรื่องนั้นเล็กลงเอ่เรื่องเนี่ยภายนอกใ น, ในโลกนี้คุณควบคุมได้เหรือบางทีมันเกิดจากเพราะคนนั้นเกิดจากเพราะคนนี้เกิดจากเพราะเหตุนน่นเหตุนี่บางทีคุณควบคุมมันไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่นอกเหนือการที่เราจะแบบบังคับไปควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้เนี่ยให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กคําว่าเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเนี่ยคือควบคุมจิตเรา ทำให้แทนที่จะถือสาโกรธเคืองชิงชังแค้นอาฆาตอันนี่เรื่องใหญ่สิถูกไหมแต่ถ้าเราทําให้ไอสิ่งเหล่านี้มันเออจะเย็นขึ้นมาห น, นะาเมตตาเขาบางนาสงสารเขาบางนาพูดคุยกันหนะ่ะถ้าอย่างเงี้ยไอเรื่องใหญ่นะั้นมันเริ่มเล็กแล้วยังไงน้อยมันเริ่มเล็กลงในใจของเราในจิตของเราเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจแต่ว่าอะไรอ่ะ ทำเรื่องใหญ่ไอ้ทำเรื่องใหญ่เนี่ยให้เป็นเรื่องเล็กโดยที่ข้างนอกเพราะบางทีข้างนอกเราอาจจะแก้ไม่ได้บอกแล้วบางเรื่องเนี่ยบางคนเขาโ oh, อ oh ้โหแค้นเราเขาเคืองเราเขายังไม่หายโกรธเลยคุณเจอเขาเขาก็ด่าให้เขาก็ด่าให้คุณบางทีคุณก็ยังแก้ไม่ได้เลยคือแก้ให้เขาเลิกดา่าเราเนี่ยเรายังไม่มีปัญญาไปแก้แต่เราทำเรื่องใหญ่นี้ให้เป็นเรื่องเล็กได้โดยคราวนี้เราทำใจเราใช่มให้มันเย็นขึ้นให้มันสงบขึ้น พอเวลาไปเจอเขาเขาด่าเราเราไม่โกรธอย่างเงี้ยเออเราพยายามรู้ว่าเออใครไปโกรธตอบคนนั้นโง่กว่าคนนั้นเลวกว่าถ้าไปโกรธตอบแล้วเนี่ยเรารู้เราเข้าใจแล้วก็เออพยายามทําใจเราไม่ให้โกรธทําใจแล้วให้มันเย็นขึ้นอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นไหมคราวนี้เขาด่ามาเนี่ยคุณไม่ไ ป, ไปทะเลาะด้วยละคุณไม่ไปโกรธเกลียดชังด้วยคุณไม่ไปถือสาด้วยเพราะ น, นี่คราวนี้เรื่องใหญ่นั้นเริ่มเล็กลงแล้ว เพราะถ้าใหญ่กว่า น, นี้คือคุณโกรธอยู่เหมือนเดิมคุณก็ทนได้ยังไงคุณก็ทนไม่ไหวคุณก็ใส่กับเขานี่เรื่องใหญ่แน่ขน้อนี้แล้วจะใ ห, ใหญ่กว่าเดิมด้วยเผลอๆก็อดลนทนไม่ได้เอาละสิข้อนี้ลงไม้ลงมือฆ่าแกงกันตายกันมาก็เยอะและ้ววันคนที่ทำเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะสงบระงับจิตของตัวเองไม่ได้นี่คือคนที่ทาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ วันให้ชัดตรงนี้ว่าการแก้อิทธิภาวะก็คือต้องปรับจิตของเราให้ได้วันใครปรับจิตได้คนนั้นจะเป็นปุริสภาวะมากขึ้นสามารถที่จะสงบสามารถจะเย็นได้มากขึ้นแล้วก็จะทำจิตให้ไม่เป็นแบบว่านอนรานถ้าเราจะแก้จิตจากเนี่ยจิตอิทธิภาวะเป็นแบบว่านอนเนี่ยมันคิดมากมันฟุ้งซ่านคิดเล็กคิดน้อยจะแก้ก็คือคุณก็พยายาม หัดเลิกคิดซะบ้างถึงบอกว่าบางเรื่องบางอย่างนี่โอ้ช่างหัวมันบ้างเถอะคุณจะอะไรยุ่หยิมุห ย, มห ย, มหยิมไปหมดอะ่ะใช่ไหก็เออไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากหรอกบางทีบางสิ่งบางอย่างก็หัดเราจะทำให้แก่ช้านะบางคนที่แก่ไวเพราะว่าฟุ้งสานมากบางคนอ่ะอ้าวนี่อย่างแรกนะจิตเมื่อเหมือน ก, นกับจิตของวานนอนอย่างที่สองดูนะ่เปรียบ ลุ่มลุ่มดอนดอนเหมือนเงาไม้นี่จิตผู้หญิงเบียบว่าลุ่มลุ่มดอนดอเหมือนเงาไม้ลุ่มลุ่มดอนดอหมายถึงมังไงลุ่มก็คือที่ต่ํอ่าดอนดอนก็คือที่สูงวันต่ำต่ำสูงสูงแล้วก็เหมือนเงาไม้อีกคือเป็นไงเงาไม้เป็นไงเออเงาไม้มันมันก็อะไรอ่ะเคลื่อนไหวไปตามเออสมมุติว่า พื้นดินเนี่ยเงาที่ส่องลงมาพื้นดินถ้าเป็นที่ลุ่มเงามันก็ล่าลงไปใช่ไหมเป็นที่สูงมันก็ขึ้นไปตามว่ามันมันอ่อนไหวเนี่ยหรือว่ามันมันเคลื่อนไหวไปตามไอ้ไอ้พื้นดินที่ที่มันส่องไปถึงถ้ามันหักเหลงไปมันก็หักตามลงไปคือพูด ง, ง่ายๆว่าอย่างเงี้ยรุ่มๆดอนๆเหมือนเงาไม้คือเปลี่ยนแปลไปเรื่อยตามสภาพอะไรไม่มีความหนักแน่นคือไม่มีความมั่นคง นเนี่ยเนี่ยคือจิตอิทธิภาวะเพราะนั้นถ้าจะเป็นปุริสภาวะขึ้นมาจิตที่ที่เป็นชายขึ้นมาหลายคนที่อยากจะมีจิตวิญญาณชาติหน้าชั้นใดนะไปบนบานสารกล่าเจ้าพ่อไหนต่อเจ้าพ่อไหนบอกว่าอยากจะให้เกิดเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยคุณต้องทำจิตวิญญาณคุณให้ปรับเปลี่ยนให้เป็นปุริสภาวะให้ได้คุณปรับเปลี่ยนไม่ได้คุณจะไปมีจิตวิญญาณเป็นผู้ชายได้ไง จิตวิญญาณคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคุณก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงถ้าจิตวิญญาณคุณเป็นผู้หญิงคุณไปได้ร่างผู้ชายไปไงฮะอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็เป็นกะเถอะนี่เองอเพรา ะ, ะนั้นแต่จริงๆแล้วมันจะไปตามตามวิญญาณยกเว้นนั่นแหละพวกที่วิฐารณ์พวกที่มีวิบากกรรมก็เลยทำให้ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าโดยปกติแล้วนะ่ะมันก็จะไปตามสภาวะของจิตวิญญาณเพรันถ้าอยากจะเป็นปุริสภาวะในข้อนี้ต้องเลิกรุ่มรุ่มดอนดอนเหมือนเงาไม้นะต้องพยายามทําให้มันเป็นที่ราบทําให้มันเรียบนะให้มันหนักแน่นให้มันมั่นคงไม่ใช่เดี๋ยวอารมณ์บุบวาบคื้นดองดอนเ น, น, นี่ยอารมณ์บุบวาบใครสะกิดหน่อยเอาละวุบ นะนึกจะดีใจก็ดีใจนึกจะเสียใจก็เสียใจมากมายเนี่ยคือความตรงของสภาวะจิตแบบแบบของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคุณดูสิบางทีผู้หญิงร้องไห้ก็ร้องไห้ง่ายดีใจก็โอ้โหดีใจมากนะคืออย่างเงี้ยมันตรงตรงเพราะั้นลดความตรงตรงของของจิตเนี่ยลงมาอย่าไปให้มันมันแปรปวนมากนักหวั่นไหวมากนักอ่อนไหวมากนัก นะเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้เลืกลุ่มๆดอนๆให้มันหนักแน่นให้มันมั่นคงขึ้นเนี่ยข้อที่สเขาก็เลยบอกว่าหัวใจของหญิงไหวไปไหวมาเหมือนร้อรถที่กำลังหมุนเมื่อใดหญิงทั้งหลายผู้มุ่งหวังเห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรจะถือเอาได้เมื่อนั้นก็ใช้วาจาอ่อนหวานชักนำบุรุษไปได้นะอันนี้เปรียบละบอก ผู้หญิงเนี่ยอ่อนไว้เปลี่ยนแปลงไปง่ายนะเหมือนกับล้อรถที่หมุนไปโดยเฉพาะหมุนไปไหนเนี่ยหมุนไปตามไอ้พื้นที่ลุ่มๆดอนๆเนี่ยนะพื้นที่ลงต่ำล้อรถก็หมุนไปตามต่ําขึ้นสูงมันก็หมุนไปตามขึ้นสูงแล้วก็หมุนอยู่นะั่นนะไม่รู้จักจอดซะมั่งนะไปเรื่อยไปที่ไหนไดก็ไปเรื่อยโลดแล่นอันนี้คือจิตนะจิตอิทธิภาวะเนี่ยโลดแล่นไปเรื่อยไม่ค่อยรู้จักหยุด ไม่ค่อยรู้จักพักอะจริงๆเนี่ยบางคนยนงยไม่รู้นะว่าเวลานอนก็ยังไม่ได้พักเลยเพียงแต่คุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเองจิกระฟง้งใบตามตอนที่หลับอยู่เนี่ยเพียงแต่คนนั้นน่ยไม่รู้ตัวคือสติเนี่ยมันไม่เต็มคำว่าสติเนี่ยคือความรู้ตัวคือมันไม่ค่อยรู้ตัวเพราะมัพอหลับไปแล้วเนี่ยคุณก็เลยขอขอภายขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อยว่ามันเบลอ เป็นภาษาไทยด้วยหรือเปล่าไม่รู้คือมันเบอเอร์แต่จริงๆเบอร์เนี่ยภาษาอังกฤษนะน้ำแปลว่ามัวเพราะฉะนั้นะจิตเนี่ยมันจะมัวมัวเพราะฉะนั้นมันเหมือนเมาเอ่ะมันจะมัวมัวมันมาเมาตอนที่คุณหลับเนี่ยเพราะฉะนั้นสติคุณไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณปรุงอะไรคุณคิดอะไรไปคุณก็เลยจําไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคนไหนหลับแล้วมีสติอยู่ก็จะรู้ว่าฝันอะไร ปรุงอะไรไปตอนที่หลับเพราะันถึงบอกว่าคนที่เมื่อกลางวันเนี่ยนะบอกคุณได้เลยใครเนี่ยขณะตอนกลางวันคุณมีสติตื่นเต็มอยู่เนี่ยนะเต็มร้อยเลยคุณรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เลยคุณยังบังคับจิตคุณให้นิ่งไม่ได้เลยจิตคุณยังปรุงฟุ้งเรื่องน้านเรื่องนี้โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะอะไรคุณปรุงนะเมื่อกลางวันเนี่ยคุณยังตื่นเตืออยู่ที่คุณยังบังคับไม่อยู่เลย แล้วนับภาษาอะไรตอนหลับคุณจะบังคับอยู่ได้ยังไงในเมื่อสติคุณเบลอไปแล้วอ่ะสติคุณไม่เต็มร้อยควบคุมไม่ได้เพียงแต่อัตมาถึงบอกว่าคนนั้นไม่รู้ตัวต่างหากและ ว, ว่าจิตของตัวเองไปแล้วฟ้งใหญ่แล้วเพรา ะ, ะนั้นการฝึกเนี่ยมันถึงต้องพยายามมาฝึกตั้งแต่ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก็ต้องฝึกพระพุทธเจ้าถึงให้นอนและพยายามให้มีสติ เพราะันจิตของคนเราที่พักได้ดีที่สุดคือจิตที่มีสติมีสติว่ายังไงมีสติที่ถ้าจะปรุงถ้าจะคิดอะไรเนี่ยก็ให้เป็นกุศลจิตนั้นจะได้พักและจิตนั้นก็จะได้พลังด้วยถ้าจิตเป็นกุศลอย่างเช่นคุณโกรธใครอย่างเงี้ยจิตเป็นอ ก, กุศลโอ้โหดึงพลังไปมากเลยนะโกรธแค้นกังวลห่วงทุกข์ไม่ชอบใจใครโอ้โหเสพลังมากแต่ถ้าจิตคุณเป็นกุศลเนี่ย ออคิดเมตตาใครเขาใช่ไหมไหมคิดอะไรกับใครเขาคิดในแง่ที่ดีคิดในแง่สร้างสารรค์อ๋อจิตมันก็โปร่งจิตมันก็เบาสบายเหมือนกับคุณสังเกตไหมอย่างบางคนเนี่ยเออได้ทําบุญใส่บาตรพระหรือได้ทําดีอะไรเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกแหมอิ่มอกอิ่ ม, มใจสบายใจที่เราได้ทําสิ่งดีๆนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตที่จะมีพลังเนี่ยคือจิตที่คิดไม่ทางกุศลได้ วนใดใครเข้าใจตรงนี้เนี่ยจะคอยระวังจิตตัวเองนะไม่ให้เนี่ยมาหมุนไปแปรปวนอ่อนไหวง่ายนะเหมือนล้อรถที่หมุนไปตามที่มันจะหมุนไปหมุนไปแค่ไหนมันก็หมุนไปเรื่อยตอนนี้เสร็จแล้วในที่นี้เขาก็บอกว่าเนี่ยก็เห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรจะเอามาเนี่ยก็จะใช้วาจาอ่อนหวาน้วก็หลอกล่อผู้ชายให้แบบว่าอ้าว นะ่ให้มายอมสยบเหมือนชาวโพชะนี่นะเขาเขาใช้ว่าสละโอพอพานแล้วก็ชอช้างชาวกัมโพดลวงมาด้วยสลายฉะนั้นคืออันนี้เขาเปรียบเทียบแล้วคือผู้หญิงเนี่ยพูดง่ายว่ามาหลอกผู้ชายนะหรืออาตมาจะพูดใหม่นะพูดตามสภาวธรรมหรือพูดตามเขาเรียกว่าธรรมาทิฏฐานตะกี้พูดโดย บุคลาธิฏฐานเป็นตัวตนบุคคลว่าผู้หญิงหลอกผู้ชายนะว่าที่ว่าอยากจะได้ทรัพย์จากผู้ชายก็เลยหลอกผู้ชายโดยพูดคาหวาหวานหลอกผู้ชายแต่ถ้าพูดโดยสภาวะจิตคราวนี้อิทีภาวะบอกว่าอิทีภาวะคือสภาวะที่เรียกว่าอะไรอ่ะคิดโลภความโลภมีกิเลสความโลภความหวงความอยากได้ พออยากได้มาอ่ะจิตเราไม่ดีแล้วพอจิตไม่ดีมันเกิดขึ้นอ่ะจะมาไม่พูดถึงคนอื่นนะพูดถึงเฉพาะตัวเองหมายถึงว่าตัวตนบุคคลของเราเนี่ยพอจิตเราไม่ดีเกิดขึ้นสมมติว่าเกิดความโลภขึ้นมาหอบหวงอยากได้มาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของพอเกิดสภาวะจิตนี้ขึ้นมาปาั๊บไอ้สภาวะจิตที่เกิดอย่างนี้แหละนะมันก็ไปเบียดเบียนมันก็ไปขม่มมันก็ไปทําลาย จิตดีๆของเราที่มีอยู่คนเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแต่เลวเพียงอย่างเดียวคนเราจะมีดีอยู่ด้วยในจิตแต่ถ้าตาบใดเวลาไหนที่อิทธิภาวะมันเกิดขึ้นคือสภาวะจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยสภาวะจิตที่เลวเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ปรุงมันปรุงมันปรุงมันเพราะนั้นไอความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นสภาวะจิตที่ไม่ดีเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อ ไอสภาวะจิตท mm hmm. ี่คุณมีดีๆอยู่ในจิตคุณเนี่ยแต่คุณไม่ได้ไปปรุงมันไงคุณไม่ได้พิจารณามันคุณไม่ได้คิดในแง่บวกขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอความคิดไม่ดีที่คุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอความคิดที่ดีมันก็กลายเป็นน้อยลงไปโดยปริยายทั้งๆที่จริงๆมันไม่น้อยลงแต่มันน้อยลงเพราะว่าไอความคิดไม่ดีมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้ไอความคิดที่ดีเนี่ยอัตราส่วนมันก็เลยกลายเป็นลดลงลดลง ว่านี่คือการที่คนนั้นไม่รู้ตัวแล้วเอาอิทธิภาวะเนี่ยมาทําลายปุริสภาวะในจิตของตนให้ลดลงไปเรื่อยๆเพราะถ้าใครทําอย่างนี้ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆคนนั้นก็จะยิ่งมีความเป็นอิทธิภาวะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะยิ่งกลายเป็นกล้วยง่ายว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่จะเป็นผู้ชายก็ยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปนะอันนี้ก็เลยเปรียบเหมือนอย่างกับว่า อะไรอ่ะชาวกัมโพช ะ, ะชาวกัมโพธเนี่ยลวงม้าด้วยสาลายอันนี้มันเป็นอ ะ, อะไรอ่ะเขายกตัวอย่างว่าชาวกัมโพธเนี่ยลวงม้าด้วยสาลายในยหมายถึงว่าณนะชาวกัมโพธเนี่ยทั้งหลายปรารถนาจะจับม้าจากป่าจึงกั้นคอกลงในที่แห่งหนึ่งตกแต่งประตูแล้วเอาน้ําพึ่งทาที่สาลาย นะเอาน้ำพึ่งนี่ไปทาที่สาลายสาลายน้ำานี่นะแล้วก็ไปลอยที่ที่ผิวน้ำเนี่ยไปลอยที่ในน้ำนี่นะที่พวกม้าป่าเคยกินแล้วก็ทอดทอดพวกสาลายเนี่ยทอดพวกหญ้าเนี่ยบนฝั่งเนี่ยคือคือเอาน้าพึ่งนี่ไปไว้ที่สาลายทาที่สาลายเสร็จใช่ไหมแล้วก็อะไรอะทอดนี่มันหมายถึงว่า วางให้มันเรียงมาทอดนี่ไปถึงว่าเอาสาหรยเลียงมาเรื่อยเรียงมาเรื่อย <spe ech> เพื่อล่อมันให้ให้ให้ตามมาที่สาหลายอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอถึงฝั่งนี่ก็เอาพวกหญ้าพวกอะไรที่มีอยู่เนี่ยก็เอาน้ําผึ้งเนี่ทาตามมาเรื่อยๆพื่ง่ายเพราพอมันกินสาหลายที่มีน้ําผึ้งใช่ไหมมันก็ตามมาเรื่อยตามกลิ่นน้ําผึ้งเพราะมันชอบเนี่ยก็ตามมาเรื่อยๆแล้วก็ทอดหญ้าเนี่ยจากฝั่งเนี่ยทาด้วยน้ําผึ้งเนี่ย กับสาลายแล้วก็ตอต่อกันไปจนถึงประตูคอกแล้วก็ทาน้ําพึ่งตลอดมาพวกม้าป่าลงไปดื่มน้ําแล้วเที่ยวกินสาลายทาน้ําพึ่งด้วยติดใจในรถก็ย่อมเข้าไปสู่ที่นั้นโดยลําดับพวกชาวกําโพรเหล่านั้นล่อม้าด้วยสาลายนําไปสู่อํานาจของตนได้ฉันใดแม่หญิงเหล่านี้เห็นทรัพแล้วก็ย่อมชับนําบุตรไปสู่อํานาจ ด้วยถ้อยคำอันละเอียดอ่อนอ่อนหวานเพราะต้องการจะเอาทรัพย์นั้นด้วยประการละชนนันี้อันนี้เขาเปรียบเทียบนะเหมือนกับคนที่จะจับม้าป่าล่อม้าโดยใช้น้ำผึ้งเหมือนกับผู้หญิงจะจับผู้ชายก็ล่อด้วยคำหวาน เ, เหมือนกันผู้ชายเขาจะล่อรวงผู้หญิงเขาก็บางทีเขาก็ ใช้คําหวานล่อลวงเหมือนกันผู้ชายที่มาล่อลวงผู้หญิงผู้ชายคนนั้นก็กําลังอิทธิภาวะแล้วใช้การล่อลวงนะผู้หญิงเพื่อที่จะให้มาชอบตนมารักตนนะกีบอกว่าชาวกําโพดลวงมาด้วยสาหลายฉะนั้นเมื่อใดหญิงทั้งหลายผู้มุ่งหวังไม่เห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรถือเอาได้เมื่อนั้นย่อมละทิ้งบุรุษนั้นไป เหมือนคนข้ามฟากถึงฝั่งโนนแล้วละทิ้งแพรไปฉะนั้นถ้าผู้ชายเนี่ยไม่มีทรัพย์แล้วพูดง่ายเป็นคนจนตอนนี้ผู้หญิงก็ไม่เอาละทิ้งแล้วเขาก็เปรียบเหมือนกับผู้หญิงที่ทิ้งอะไรคือเหมือนกับคนที่ อ, อยู่ในแพรพอแพรมาถึงฝั่งก็ขึ้นบกไปเลยแพรก็ทิ้งไว้ไม่แบกแพรไปด้วยนะอันนี้เขาก็เปรียบ เปรียบผู้หญิงเป็นอย่างนั้นหญิงทั้งหลายเปรียบด้วยการผูกรัตกินทุกอย่างเหมือนเปลวไฟมีบายาก้าแข็งเหมือนแม่น้ำมีกระแสเชี่ยวย่อมคบปุรุษได้ทั้งที่น่ารักทั้งที่ไม่น่ารักนั่นก็เปรียบอย่างนีเปรียบเหมือนกับเปลวไฟที่มอดไหมอะไรได้ทุกอย่างเลยนะอันเนี้ย คือถ้าบุรุษน่ารักกรตามไม่น่ารักกรตามถ้าลองเข้าไปขวางกระแสน้ําเชี่ยวเนี่ยหมายถึงว่าความความต้องการของผู้หญิงนี่ไม่ได้อะนะผู้หญิงเขาจัดการหมดเหมือนเรือจอดไม่เลือกฝั่งไม่ไม่เลือกว่าฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นฉะนั้นนะเหมือนหญิงทั้งหลายไม่ใช่ของบุรุษคนเดียวหรือสองคนย่อมรับรองทั่วไปเหมือนร้านตล า, าด ผู้ใดสําคัญมั่นหมายหญิงเหล่านี้ว่าเป็นของเราก็เท่ากับดักลมด้วยตะข่ายอันนี้อาจามาชอบเอามาพูดนะเพราะว่าท่านเปรียบอะถ้าใครเนี่ยคิดที่จะไปดักใจผู้หญิงเนี่ยหรือดักใจอิทธิภาวะใครอยากจะไปรู้ใจผู้หญิงว่าเออเป็นยังไงบ้างาคิดยังไงชอบอะไรยังไงคนนั้นน่ะเหมือนกับเอาตะข่ายเนี่ยมาเหวี่ยงใส่ ลมอ่ะเพื่อที่จะดักจับลมเป็นไงตะขายดักจับลมถ้าเหวียงใส่ลมเนี่ยเป็นไงเออมันก็รั่วไปหมดแล้วมันจะไปจับอะไรได้ก็ลมมันก็เป็นลมอ่ะ <c oughs> มไม่ได้มีตัวตนอะไรคําว่าไม่มีตัวตนหมายถึงว่าว่าเ อ, อไม่มีเออไม่มีอะไรที่จะไปให้อะไรอ่ะเป็นหลักหรือว่าอะไรยึดได้ นะมันแปลปวนมันเปลี่ยนแปลงง่ายถึงถึงดักจับอะไรไม่ได้นะอันนี้ยคือคําพูดที่ใครเป็นอิทธิภาวะเนี่ยไม่ค่อยมีแก่นสารไม่ค่อยมีหลักอะไรให้ยึดจะพูดอะไรจะทําอะไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือพูดง่ายว่าบางทีก็เหมือนกับโกหกง่ายอะก็จะกลายเป็นอย่างนั้นคือจะไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะจะเป็นหลักนะเอาพูดอย่างนี้เอาพูดอย่างนี้ต้องทําให้ได้สิออ มันจะสังเกตไหมว่าในศีลข้อที่สี่เนี่ยระหว่างผู้ชายผู้หญิงในศีลข้อที่สี่ผู้หญิงเนี่ยผิดมากกว่าผู้ชายนี่ยเยอะเลยไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่มีการโกหกขอพูดอีกคำานึ่ง น, นนะผู้ชายก็มีตอแหลเหมือนกันนะแต่ผู้หญิงมากกว่าเนี่ยผู้หญิงจะมากกว่าคาว่าตอแหลนี่แปลว่าอะไรถ้าแปลเป็นไทยอ่ะก็ ก็โกหกอะใช่ไหมตอแหลอันี่ก็คือโกหกอะก็คือพูดไม่จริงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะพูดอย่างงอนพูดอย่างงี้พูดอย่างงั้อางงานอะไรพูดไปเรื่อยเปื่อยบางทีไม่ได้เป็นจริงอะไรเลยอย่างนั้นเนี่ยนะเขาก็เรียกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยตอแหลแล้วอืมนั่นแหละเพราะฉนั้นอันเนี้ยถ้าใครเนี่ยผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามถ้ามีอิทธิภาวะพวกนี้แล้วไปดูเถอะบางที พูดเล่นพูดหัวพูดอะไรที่มันเลอะ เ, เธอเธอไม่จริงไม่อะไรเยอะ